เสียงอ่านหนังสือชีวิตนี้น้อยนักบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกจัดทาและบันทึกเสียงอ่านโดยโจโฉดนตรีบรรเลงเป็นโนโดยตองพี ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สําคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่าจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสํานึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิด ชีวิตนี้น้อยนักพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าอัปกันจิตทางชีวิตะมาหุทีราปราดกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักทุกชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวแต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปัจจุบันและชีวิตในชาติอนาคตชีวิตนี้น้อยนักหมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนักสั้นนักชีวิตคืออายุชีวิตในปัจจุบั น, นชาติของแต่ละคนยังยืนนานที่สุดก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไหร่ซึ่งก็ดูราวเป็นอายุที่ไม่ยืนมากนัก แม้ไม่นำไปเปรียบกับชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้วในอดีตที่นับชาติไม่ท่วนนับปีไม่ได้และชีวิตที่จะต้องเวียนวนเกิดตายต่อไปอีกในอนาคตที่จะนับชาติไม่ท่วนนับปีไม่ได้อีกเช่นกันที่ปราดท่านว่าชีวิตนี้น้อยนักนั้นท่านมุงให้เปรียบชีวิตนี้กับชีวิตในอดีต ท, ที่นับชาติไม่ท้วน และชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ทวนอีกเช่นกันสำหรับผู้ไม่ยิ่งด้วยปัญญาไม่สามารถพาตนให้พ้นทุกสิ้นเชิงได้ทุกชีวิตก่อนแต่จะได้มาเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในปัจจุบันชาติต่างเป็นอะไรต่อมีอะไรมาแล้วมากมายแยกออกไม่ได้ว่ามีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้าง ทำกรรมใดก่อนทำกรรมใดหลังทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลายย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ในชีวิตนี้อย่างประมาณมิได้และกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้นย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการแม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตามแต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่แม้เหตุได้กระทำแล้วเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อทาเหตุย่อมได้รับผลและผลย่อมตรงตามเหตุเสมอ ผู้ได้ทาผู้นั้นจักเป็นผู้ได้รับผลเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อใดกำลังมีความสุขไม่ว่าผู้กำลังมีความสุขนั้นจะเป็นเราหรือเขาเมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่าเหตุดีที่ได้ทาไว้แน่กาลังให้ผลผู้ทาเหตุดีนั้น กำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่แม้ปุถุชนจะไม่สามารถอย่างรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่าทำเหตุดีหรือกรรมดีใดไว้แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความสุขที่กำลังได้เสวยอยู่เป็นเหตุดีแน่เป็นกรรมดีแน่ผลดีเกิดแต่เหตุดีเท่านั้นผลดี ไม่มีเกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลยเมื่อใดกำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าผู้กำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นจะเป็นเราหรือเป็นเขาเมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่าเหตุไม่ดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผลผู้ทำเหตุไม่ดีนั้น กำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่แม้ปุถุชนจะไม่สามารถอย่างรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่าทำเหตุไม่ดีหรือกรรมไม่ดีใดไว้แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนที่กําลังได้เสวยอยู่เป็นเหตุไม่ดีแน่เป็นกรรมไม่ดีแน่ผลไม่ดีเกิดแต่เหตุไม่ดีเท่านั้น ผลไม่ดีไม่มีเกิดแต่เหตุดีได้เลยเมื่อใดมีความคิดว่าเราทำดีไม่ได้ดีหรือเขาทำดีไม่ได้ดีก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริงกำลังเข้าใจผิดจากความจริงทำดีต้องได้ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นเมือ่อใดมีความคิดว่าเราทำไม่ดีแต่กลับได้ดีหรือเขาทำไม่ดีแต่กลับได้ดีก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริงกำลังเข้าใจผิดจากความจริงทำไม่ดีต้องได้ไม่ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวย่อมน้อยนักเมื่อเปรียบ ก, กับชีวิตในอดีตชาติซึ่งนับจํานวนชาติหาทวนไม่ดังนั้นกรรมคือการกระทาที่ทำในชีวิตนี้ในชาตินี้ชาติเดียวจึงน้อยนักเมื่อเปรียบ ก, กับกรรม หรือการกระทาที่ทำไว้แล้วในอดีตชาติอันนับจํานวนชาติไม่ทวนการเขียนหนังสือด้วยปากกาหรือดินสอลงบนกระดาษแผ่นเดียวนั้นเขียนลงครั้งแรกก็ย่อมอ่านออกง่ายอ่านเข้าใจได้ง่ายแต่ยิ่งเขียนทับเขียนซ้ำลงไปบนกระดาษแผ่นเดียวกันนั้น ตัวหนังสือย่อมจะทับกันยิ่งขึ้นทุกทีการอ่านก็จะยิ่งอ่านยากขึ้นทุกทีจนถึงอ่านไม่ออกเลยไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวหนังสือจะเห็นแต่รอยหมึกหรือรอยดินสอทับกันไปทับกันมาเป็นสีสันเท่านั้นให้เพียงรู้เท่านั้นว่าได้มีการเขียนลงบนกระดาษแผ่นนั้นหาอ่านรู้เรื่องไหม และหาอาจจะรู้ได้ไหมว่าเขียนอะไรก่อนเขียนอะไรหลังนี่ฉันใดการทำกรรมหรือการทำดีทำชั่วก็ฉันนั้นต่างได้ทำกันมานับพบนับชาติไม่ท่วนทับถมกันมายิ่งกว่าตัวหนังสือที่อ่านไม่ออกหารู้ไม่ว่าได้เขียนอะไรก่อนเขียนอะไรหลังทำกรรมแบบใดไว้ ก็ไม่รู้ไม่เห็นแยกไม่ออกว่าทำกรรมใดก่อนทำกรรมใดหลังทำดีอะไรไว้บ้างทำไม่ดีอะไรไว้บ้างมากน้อยหนักเบาวกว่ากันอย่างไรมาถึงชาตินี้ไม่รู้ด้วยกันทั้งสิน้นเป็นความซับซ้อนของกรรมที่แยกไม่ออกเช่นเดียวกับความซับซ้อนของตัวหนังสือที่เขียนทับกันไปทับกันมา ความซับซ้อนของกรรมแตกต่างกับความซับซ้อนของตัวหนังสือตรงที่ตัวหนังสือนั้นเมื่อเขียนทับกันมากๆย่อมไม่มีทางรู้ว่าเขียนเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอย่างไรแต่กรรมนั้นแม้ทำซับซ้อนมากเพียงไรก็มีทางรู้ว่าทำกรรมดีไว้มากน้อยเพียงไรหรือทำกรรมไม่ดีไว้มากน้อยเพียงไร โดยมีผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั่นเองเป็นเครื่องช่วยแสดงให้เห็นชีวิตหรือชาตินี้ของทุกคนมีชาติกำเนิดไม่เหมือนกันเป็นไทยก็มีจีนก็มีแขกก็มีฝรั่งก็มีมีชาติตระกูลไม่เสมอกันตระกูลสูงก็มีตระกูลต่ําก็มีมีสติปัญญาไม่ทัดเทียมกัน ชาลาลักแหลมก็มีโง่เขลาเบาปัญญาก็มีมีฐานะต่างระดับกันร่ำรวยก็มียากจนก็มีความแตกต่างห่างกันนานาประการเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องชี้ให้ผู้เชื่อในกรรมและผลของกรรมเห็นความมีพบชาติในอดีตของแต่ละชีวิตในชาติปัจจุบันเกิดมาต่างกันในชาตินี้ เพราะทำกรรมไว้ต่างกันในชาติอดีตความแตกต่างของชีวิตที่สำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นอำนาจที่ใหญ่ยิ่งที่สุดของกรรมคือความได้พบชาติของพรหมเทพความได้พบชาติของมนุษย์กับความได้พบชาติของสัตว์ เทวดาอาจมาเป็นมนุษย์ได้เป็นสัตว์ได้มนุษย์อาจไปเป็นเทวดาได้เป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็อาจไปเป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมอันนำให้เกิดนี้เป็นความจริงที่แม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงนี้ก็ย่อมเป็นความจริงเสมอไปไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลง ให้ผิดไปจากความจริงได้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ควรกลัวอย่างหนึ่งคือกลัวการไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดามาถือภพชาติเป็นมนุษย์เป็นที่ยอมเชื่อถือกันมากกว่าเทวดาจะไปเป็นอะไรอื่นจึงมีคำบอกเล่าหรือสันนิษฐานกันอยู่เสมอว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นเทวดามาเกิด ทั้งนี้ก็โดยสันนิษฐานจากความประนีตงดงามสูงส่งของผู้นั้นผู้นี้บางรายก็มีพร้อมทุกประการทั้งชาติตระกูลที่สูงฐานะที่ดีผิวพรรณวั น, นะที่งามกิริยาวาจามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนไพเราะเรียบร้อยเฉลียวฉลาด บางผู้แม้ไม่งามเหมือนทุกประการดังกล่าวก็ยังได้รับคำพันรนาว่าเป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดเพราะผิวพรรณมารยาทงดงามอ่อนโยนนุ่มนวลนี่ก็คือการยอมรับอยู่ลึกๆในใจของคนส่วนมากว่าเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ มีตัวอย่างสำคัญยิ่งที่พึงกล่าวถึงได้เป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั่นคือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงโลกมนุษย์ประสูติเป็นพระสิทธทัตถราชกูุมารพระราชาโอรสพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา เรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่รู้จักกันกว้างขวางคือเรื่องของเทพธิดาแม่ขลาเทพธิดาองค์นี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์รักษามหาสมุทรมีหน้าที่คุ้มครองช่วยเหลือมนุษย์ผู้ถือไตรสรณคมมีศีลสมบูรณ์ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาพรามโพธิสัตว์เดินทางไปเรือแตกกลางมหาสมุทร พยายามไหว้เข้าฝั่งอยู่ถึงเจวันเทบธิดาเมฆขาจึงแลเห็นได้ไปแสดงตนต่อพระมหาสัตทันทีรับรองจะให้ทุกอย่างที่พระมหาสัตปรารถนาและได้เนรมิตสิ่งที่พระมหาสัตขอทุกอย่างคือเรือทิพและแก้วแหวนเงินทองพระมหาสัต h, พ้นจากมหาสมุทรได้บำเพ็ญทานรักษาศีลจนตลอดชีวิต ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในเมืองสวรรค์พระมหาสัตว์ครั้งนั้นต่อมาคือพระพุทธเจ้าเทพธิดาเมฆขาต่อมาคือพระอุบลวรรณาเถรีและผู้ดูแลช่วยเหลือพระมหาสัตว์ต่อมาคือพระอานนท์นี่คือเทวดาถือพบชาติเป็นมนุษย์ได้อย่างน้อยก็ตามความเชื่อถือ จึงมีการเล่าเรื่องเทพธิดาแม่ขลาดังกล่าวเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้และมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาได้ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันได้ส่งนำเรื่องในอดีตมาสาธกว่า เมื่อทรงสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์หูหน้าพ่อค้าเกวียนได้ส่งซื้อสินค้าในนครพาราณสีบรรทุกเกวียนนําพ่อค้าจํานวนมากเดินทางไปในทางกันดานมเมื่อพบบ่อน้ําก็พากันขุดเพื่อให้มีน้ําดื่มได้พบรัตนะมากมายในบ่อนั้นพระโพธิสัตว์ทรงเตือนว่าความโลภเป็นเหตุแห่งความพินาศแต่ไม่มีผู้เชื่อฟัง พวกพ่อค้ายังขุดบ่อต่อไปไม่หยุดหวังจะได้รัตนะมากขึ้นบ่อนั้นเป็นบ่อที่อยู่ของพญานาคเมื่อถูกทำลายพญานาคก็โกรธใช้ลมจมูกเป่าพิษถูกพ่อค้าเสียชีวิตหมดทุกคนเหลือแต่พระโพธิสัตว์ที่มีได้ร่วมการขุดบ่อด้วยจึงได้รัตนะมากมายถึงเจ็ดเล่มเกวียนท่านนำออกเป็นทาน และได้สมทานศีลรักษาอุโบสถจนสิ้นชีวิตได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นเทวดาได้มนุษย์มีบุญกุศลและความดีพร้อมทั้งกายวาจาใจมากเพียงไรก็จะเกิดเป็นเทวดาได้เพียงนั้นคือสามารถขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงได้ เมื่อละโลกนี้แล้วมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้และเกิดเป็นสัตว์ก็ได้ในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่งโกรธแค้นรําคาญสุนัขตัวหนึ่งที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตรัสแสดงให้รู้ว่าบิดาที่สิ้นไปแล้วนั้นมาเกิดเป็นสุนัขนั่น และได้ส่งให้พิสูจน์โดยบอกให้สุนัขนำไปหาที่ซ่อนซัพ์ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้นอกจากผู้เป็นบิดาของชายผู้นั้นและสุนัข ก, ก็พาไปขุดพบสมบัติที่ฝังไว้ก่อนสิ้นชีวิตได้สัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาได้คงจะมีเป็นอันมาก มีเรื่องต่างๆในพระพุทธศาสนาที่เล่ากันสืบมาคือในสมัยพุทธกาลมีสัตว์ได้ยินเสียงพระท่านสวดมนต์ก็ตั้งใจฟังโดยเคารพตายไปก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพในสวรรค์ด้วยอานุภาพของการให้ความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ต้องถือเป็นที่เชื่อถืออยู่ลึกๆ ในจิตสำนึกจึงแม้เมื่อพบมนุษย์บางคนบางพวกก็ได้มีการแสดงความรู้สึกจริงใจออกมาต่างๆกันเช่นลิงเกิดมาแท้ๆสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆทั้งนี้ก็ด้วยเห็นจากหน้าตาท่าทางบ้างกิริยามารยาทนิสัยใจคอความประพฤติบ้างซึ่งโดยมากผู้ที่พบเห็นด้วยกัน ก็จะมีความรู้สึกตรงกันดังกล่าวเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเชื่อนั่นเองว่าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือมนุษย์เกิดมาจากสัตว์ได้ สมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งมีจิตห่วงห่วงผ้าสบงจีวรที่พึ่งได้มาใหม่สักตากไว้บนราวมรณะผ้าไปขณะผ้านั้นยังไม่แห้งจิตที่ผูกพันในผ้าสบงจีวร น, นั้นทำให้ไปเกิดเป็นตัวเลนเล็กๆเกาะติดอยู่กับผ้าพระภิกษุอีกรูปหนึ่ง เห็นผ้าสบงจีวอนนั้นไม่มีเจ้าของแล้วก็จะนำไปใช้พระพุทธองค์ทรงทราบได้ทรงมีพระพุทธดำรัสห้ามตรัสให้รอเพราะพระภิกษุรูปนั้นจะสิ้นพบชาติของการเป็นเลนในเวลาเพียงไม่กี่วันถ้านำสบงจีวอนนั้นไปในขณะยังเป็นเลนอยู่ก็จะโกรธแค้นจะไม่ได้ไปสวยผลแห่งกุศลกรรม ที่ได้ประกอบกระทําไว้เป็นอันมากนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงรับรองว่าอำนาจจิตจะทำให้มนุษย์ไปเป็นสัตว์ได้เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาได้เทวดามาเกิดเป็นสัตว์ได้ สัตว์เกิดเป็นเทวดาได้มนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็กลับเกิดเป็นมนุษย์ได้อานาจอันยิ่งใหญ่ของกรรมเท่านั้นที่ตกแต่งชีวิตให้เป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อถึงเพียงนี้กรรมจึงน่ากลัวจริงๆน่าหนีให้พ้นอำนาจกรรมจริงๆทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบัน กรรมอันเป็นเหตุนำให้เกิดคือชนกกรรมเป็นกรรมสุดท้ายก่อนชีวิตจะขาดจากพบภูมินี้กรรมสุดท้ายหรือเรื่องสุดท้ายที่จิตผูกพันคิดถึงอยู่คือชนกกรรมอันนำไปเกิดนึกถึงความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในขณะก่อนจะดับจิต ก็จะไปสู่สุขคตินำกายไปสุขคติด้วยนึกถึงความไม่ดีที่เป็นบาปเป็นอกุศลในขณะก่อนจะดับจิตจิตก็จะไปสู่ทุกคตินำกายไปทุกขติด้วยจิตที่ใกล้จะแตกดับนั้นปกติเป็นจิตที่อ่อนมาก ไม่มีกําลังที่จะต้านทานใดๆทั้งนั้นคุ้นเคยกับความรู้สึกใดเกี่ยวกับเรื่องใดความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็จะเข้าครอบงำจิตมีอำนาจเหนือจิตทำให้จิตเมื่อใกล้ดับผูกเวรอยู่กับความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อจิตดับคือจากร่าง ก็จากไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นนำไปก่อเกิดกายที่ควรแก่สภาพจิตทุกประการผู้ที่หวงสมบัติกลัวจะมีผู้มานำไปก่อนจะดับจิต มีใจผูกเฝ้าสมบัติอย่างหวงแหนเมื่อดับจิตไปก็เคยมีที่ไปเกิดเป็นงูเฝ้าอยู่ที่สมบัตินั้นผู้ใดเข้าไปใกล้ก็จะแสดงตัวให้เห็นเป็นงูใหญ่เช่นที่เล่ากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ว่าข้าราชการผู้หนึ่งมีพระพุทธรูปที่หวงมากอยู่องค์หนึ่งเมื่อละโลกนี้ไป สหายไปเยี่ยมศพได้ขอดูพระองค์นั้นขณะกำลังดูอยู่ก็มีงูตัวหนึ่งมาจากไหนไม่ปรากฏมาแผลแม่เบี้ยอยู่ใกล้ๆผู้มาขอดูไหวทันเข้าใจทันทีว่าเจ้าของได้เฝ้าพระอยู่ด้วยความห่วงแหนจึงพูดกับงูดังๆว่าไม่ได้คิดจะนำพระไปไหนเพียงมาขอดูเท่านั้นอย่าเป็นห่วง เพียงเท่านั้นงูก็เลื้อยห่างหายไปนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อไม่นานมานี้ที่เชื่อกันว่าผู้ที่หวงสมบัติมากๆตายไปในขณะที่จิตผูกพันเช่นนั้นต้องไปเกิดเป็นงูต้องเฝ้าสมบัติไม่ได้ไปเสวยผลกรรมดีใดๆที่ได้กระทำไว้จนกว่าใจจะปล่อยวางละความยึดถือ ความหวงแหนสมบัตินั้นๆด้วยผู้ใหญ่ผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาปัญญาแต่ไหนแต่ไรมาท่านเชื่อในเรื่องอำนาจความยึดมั่นของจิตท่านจึงสอนลูกหลานไว้ว่าก่อนจะหลับไปให้ภาวนาพุทโธ นึกถึงพระพุทธเจ้าและให้ตั้งใจปรารถนาว่าเมื่อจากโลกนี้ไปเมื่อใดก็ตามขอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีให้ได้พบพระพุทธศาสนาท่านสอนกันให้ตั้งใจเช่นนี้ก่อนจะหลับไปและท่านสอนว่าถ้าการหลับครั้งนั้นจะไม่ได้กลับตื่นขึ้นมาอีกก็จะได้ไปดีเป็นไปดังแรงปรารถนา การได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้นเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตผู้มีสัมมาทิฏฐิจึงตั้งจิตปรารถนาอย่างจริงจังผู้อธิษฐานจิตปรารถนากลับมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้นคือผู้รับรองความสำคัญของชีวิตนี้ที่แม้จะน้อยนัก ว่าชีวิตนี้เท่านั้นที่จะนําไปสู่ความสวัสดีมีสุขได้อย่างแท้จริงเพราะชีวิตนี้เท่านั้นที่พร้อมสําหรับการบําเพ็ญบุญกุศลทุกประการจะทําดีเพียงไรก็ทําได้ในชีวิตนี้ทําดีสูงสุดจนเกิดผลสูงสุดคือการปฏิบัติได้สําเร็จมรรคผลนิพพานผลทุก์สิ้นเชิง ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวาตายเกิดอีกต่อไปก็ทำได้ในชีวิตนี้หรือทำดีเพียงเพื่อได้ถึงสวรรค์พ้นนรกก็ทำได้ในชีวิตนี้การตั้งจิตอธิษฐานไม่ให้หลงไปพบภูมิอื่นหลังละโลกนี้ไปแล้วแต่ให้กลับมาสู่พบภูมนุษย์โดยเร็วได้พบพระพุทธศาสนา จึงเป็นความถูกต้องพึงทาอย่างยิ่งแม้ไม่ต้องการมีความทุกข์ในภพชาติข้างหน้าก็ต้องทำใจให้ไม่มีความทุกข์ตั้งแต่ในภพชาติปัจจุบันไม่ปรารถนาเป็นอย่างไรในชาติหน้าก็ต้องทำใจคือทำใจไม่ให้เกาะเกี่ยวข้องอยู่กับอะไรนั้นกับอย่างนั้น ตั้งแต่ในปัจจุบันนชาติจึงจะสมปรารถนาไม่เช่นนั้นก็จะสมปรารถนาไม่ได้การจะทำใจให้เป็นสุขปราศจากทุกข์แม้พอสมควรขณะใกล้จะดับจิตคือการเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ได้พอสมควร แต่การจะสามารถทำใจให้เป็นเช่นไรในเวลาใกล้จะดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จะทำได้ทันทีโดยไม่ได้มีความคุ้นเคยกับความรู้สึกเช่นนั้นมาก่อนความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอๆหรือบ่อยๆเนืองๆ เ, เช่นการท่องพุโทโธไว้ในใจเสมอ นั่นคือความคุ้นเคยกับพุโทโธความคุ้นเคยกับบุคคลใดที่เคยให้ความเมตตาอุปการะช่วยเหลือจะทำให้ใจนึกถึงบุคคลนั้นได้โดยอัตโนมัติเมื่อถึงคราวคับขันความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เช่นกัน อบรมไวให้คุ้นเคยกับความรู้สึกใดเช่นคุ้นเคยกับอารมณ์มีพระพุทธโธหรือคุ้นเคยกับการท่องพุทธโธเมื่อถึงเวลาคับขันใจจะไม่ไปยึดมั่นเกาะเกี่ยวกับอะไรอื่นที่ไม่คุ้นเคยแต่จะไปเกาะอยู่กับพระพุทธโธ ท, ที่เป็นยอดของสิริมงคลทั้งปวงย่อมได้รับสิริมงคล น, นั้น อันจักนำให้พ้นผ่านภัยใหญ่น้อยความคุ้นเคยกับสิ่งที่ดีมีมงคลจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งทุกคนผ่านชีวิตในอดีตชาติมาแล้วเป็นอันมากนับพบชาติไม่ท่วนมีความคุ้นเคยกับเรื่องราวหรืออารมณ์ต่างๆมาแล้วมากมายคุ้นเคยกับเรื่องราวหรืออารมณ์ใดมาก ใจยึดมั่นผูกพันคล้องติดอยู่กับเรื่องใดอารมณ์ใดมากมาแต่อดีตชาติผลของความยึดมั่นผูกพันนั้นจะนำมาสู่พบชาติปัจจุบันดูพบชาติของตนในปัจจุบันก็พอจะเข้าใจว่าอดีตนั้นตนผูกพันกับเรื่องใดอารมณ์ใดมามากดีหรือว่าไม่ดี ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำทานการกุศลมามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบั น, นชาติคือปัจจุบั น, นชาติจะสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้ที่มีใจผูกพันกับการเอื้ออาทรดูแลรักษาให้ข้าวปลาอาหารยารักษาไข้และเงินทอง เพื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมามากในอดีตชาติไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นก็จะรู้ได้จากปัจจุบั น, นชาติคือปัจจุบั น, นชาติจะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีพลนานามัยดีอันนับเป็นลาบอย่างยิ่ง ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการระวังรักษากายวาจาใจของตนให้สุขภาพอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมยกย่องไม่ล่วงเกินดูหมิน่นผูกพันเช่นนี้มามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูงอันผู้อยู่ในตระกูลสูงย่อมเป็นผู้ได้รับความเคารพ อ่อนน้อมยกย่องไม่ถูกล่วงเกินดูหมินเป็นไปเช่นเดียวกับที่ตนเองได้ปฏิบัติไว้ต่อผู้อื่นเป็นอันมากในอดีตชาติผู้ที่มีใจผูกพันอยู่ ก, กับการช่วยประครับประคองรักษาชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นมามากในอดีตชาติ ไม่เบียดเบียนตัดรอนทำลายชีวิตอื่นก็จะรู้ได้จากปัจจุบั น, นชาติคือปัจจุบั น, นชาติจะเป็นผู้มีอายุยืนไม่ถูกตัดรอนเบียดเบียนทำลายด้วยเหตุใดทั้งสิ้นไม่ให้ต้องเป็นผู้มีชีวิตน้อยชีวิตสั้น ที่มีใจผูกพันอยู่กับการรักษากายวาจาใจอยู่ในศีลบริสุทธิ์มามากในอดีตชาติมีจิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามหน้าตาผ่องใสเป็นที่เจริญตาเจริญใจผู้พบเห็นทั้งหลาย ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการปฏิบัติธรรมมามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบั น, นชาติคือปัจจุบั น, นชาติจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดศึกษาปฏิบัติธรรมเข้าใจง่ายจเจริญดีในธรรม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 ที่ได้ประกอบกระทำไว้แล้วเป็นอันมากในอดีตชาติแน่นอนและแม้ปรารถนาจะสวยผลดีแห่งกรรมดีนั้นสืบต่อไปในอนาคตทั้งในอนาคตของปัจจุบันชาติและทั้งในอนาคตของภพชาติเบื้องหน้าที่ผลนจากภพชาติปัจจุบันไปแล้วก็พึงตั้งใจประกอบกรรมดีอันเป็นเหตุดีต่อไปให้มั่นคงสม่าเสมอ ผลของกรรมดีที่ได้กระทากันมาที่เป็นความคุ้นเคยกันมาแม้จะสงวนรักษาไว้ให้สืบต่อกันนานแสนานานต่อไปก็ต้องพยายามหนีผลของกรรมไม่ดีที่ต้องได้กระทามาแล้วทุกคนในอดีตชาติซึ่งมากมายนับพบชาติไม่ท่วนและกรรมนั้นกําลังตามมา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 เพื่อลากเข้าไปขยี้ให้แหลกเลววุฒิจะจับปลายผมเราได้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่เราก็ยังพ้นอยู่ได้เพราะความบังเอิญคือเพราะบังเอิญได้ทำกรรมดีไว้มากพอเป็นกำลังพาให้หลบหลีกพ้นมือมารไปได้มีความสวัสดีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ใช่ว่ามือมารนั้นจะหยุดตามตะครุบเราก็หาไม่ กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่พบกี่ชาติมือมารจะติดตามตะครุบเราอย่างไม่ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยคว้าผิดคว้าถูกก็จะตามคว้าไม่ลดละถ้าปรากฏเป็นภาพก็จะเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดเด็กที่ยังไร้เดียงสา เพิ่งจะลืมตาเห็นโลกเคยถูกนำไปฆ่าด้วยความเข้าใจผิดที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ทำให้มารดาผู้รักลูกเป็นชีวิตจิตใจแทบเป็นบ้าทำให้ผู้ที่นำไปฆ่าเพราะเข้าใจผิดต้องได้รับโทษหนักได้รับทั้งอาญาบ้านเมืองและทั้งด้วยความโกรธแค้นชิงชังของผู้คนมากหลาย เรื่องนี้ชี้ชัดให้เห็นอนํานาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมแม้ไม่นํากรรมมาร่วมพิจารณาก็จะเข้าใจไม่ได้เลยว่าเรื่องเช่นนี้เกิดได้อย่างไรเด็กคนหนึ่งถูกมุ่งทําลายแต่เด็กคนนั้นกลับอยู่รอดปลอดภัยเด็กอีกคนหนึ่งเป็นที่ห่วงใยทนุถนอมดั่งแก้วตาดวงใจแต่กลับถูกทําลายตายไป ทั้งสองอยังบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเพิ่งมีเวลาเห็นโลกไม่กี่วันมือของกรรมนำเด็กที่ไม่ได้เป็นที่มุ่งร้ายในปัจจุบันไปสู่อำนาจแห่งกรรมในอดีตซึ่งไม่ใช่เป็นกรรมของใครอื่นแต่เป็นกรรมของเด็กนั่นเองที่ต้องได้กระทำไว้แน่นอนในชาติใดาชาติหนึ่งในอดีตที่ผลความรู้เห็นของปุตุชนทั้งหลาย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 เมื่อก ร, รมจะให้ผลคือเมื่อกรรมตามมาทันก็ไม่มีอะไรจะยับยั้งได้นอกจากกรรมด้วยกันคือเมื่ออากุศ ล, ลกรรมตามทันก็ต้องกุศลกรรมที่ใหญ่ยิ่งกว่าเท่านั้นที่จะตัดรอนอากุศลกรรมได้ช่วยให้สวัสดีไปได้ครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง เรื่องเด็กคนหนึ่งถูกมุ่งร้ายให้ถึงตายแต่เด็กอีกคนหนึ่งที่เป็นความรักสุดจิตใจของแม่พ่อกลับต้องตายแทนแม่คนหนึ่งที่เป็นฆาตกรต้องรับอาญาแผ่นดินมีชีวิตที่ทรมานในที่คุมขังแม่คนหนึ่งที่ต้องเสียลูกรักเพียงชีวิตเพราะถูกเอาไปฆ่าผิดตัวต้องเศร้าโศกสุดแสนไปนานนัก เด็กคนที่รอดตายอย่างอัศจรรย์ทั้งที่ตนนั้นถูกมุ่งร้ายคงเป็นที่รังเกียจของคนจำนวนไม่น้อยว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขหญิงใจดำอมหิตดูผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดถึงสชีวิตจะเห็นได้ชัดแจ้งว่ากรรมมีอำนาจใหญ่ยิ่งนักทุกชีวิตถูกอกุศลกรรมตามทันแน่แท้และไม่มีกุศลกรรมความดีเพียงพอ จะตัดร้อนอากุศุลกรรมให้ทันเวลาได้จึงประสบความทุกข์เดือดร้อนแสนสาหัสไปตามกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพึงรอบข้อพิจารณาด้วยปัญญาของผู้นับถือพระพุทธศาสนาให้เห็นความน่ากลัวของกรรมให้เห็นความน่าสลดสังเวชเมื่อผู้ใดผู้หนึ่ง ต้องตกอยู่ในอุ้งมือที่แรงร้ายแห่งกรรมและเราเองก็มีมือกรรมตามจะคุบอยู่เหมือนกันไม่อาจเห็นได้ด้วยตาก็พึงใช้ปัญญาให้เห็นได้ด้วยใจและพยายามหนีให้เต็มสติปัญญาความสามารถอย่าให้ถึงวันที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งคือวันที่ต้องตกอยู่ในอุ้งมือที่แข็งแกร่งแห่งกรรมร้าย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 นั่นก็คือต้องทำบุญทากุศลคุณงามความดีให้มากที่สุดให้เต็มสติปัญญาความสามารถเสมอความดีเท่านั้นจะช่วยให้พ้นมือแห่งกรรมร้ายได้แม้จะพ้นอย่างวุดวิตก็ต้องดีกว่าไม่พ้นทุกคนมีมือแห่งอกุศ ล, ลกรรมที่น่ากลัวที่สุด ตามตะครุบอยู่ไม่มีใครไม่มีและมีการคนละไม่น้อยด้วยเพราะทุกคนได้ผ่านพบชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนยาวนานนักหนาทำอะไรต่อมีอะไรกันมาเสียนักต่อนักทั้งกรรมดีกรรมชั่วสลับซับซ้อนกันอยู่และลืมกันเส็ยสิ้นแล้วทั้งบางคนก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตชาติ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 ต่างเคยมีเคยเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นแม้เป็นผู้ระลึกชาติได้ก็จะสลดสังเวชใจยิ่งนักและอาจจะสละละวางความโลภความโกรธความหลงได้เป็นอันมากเห็นสุนัขขี้เรือนสักตัวแล้วลองนึกว <Forest. S 1> ่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเช่นเดียวกันเคยกระเซาะกระเซิงเที่ยวหาอาหารกิน ถูกคนตีถูกสุนัขด้วยกันกัดถูกใครทั้งหลายที่ได้มาประสบพบผ่านสแสดงกิริยาวาจารังเกีย g เกลียดชังไม่ยอมแม้แต่จะให้เข้าไปใกล้เพื่ออาศัยร่มเงากันแดดกันฝนก้อนอิดก้อนหินก็ถูกทุ่มคว้างใส่ให้ต้องถึงเลือดตกยางออกตกใจกลัวภัยนานาแต่จะบอกกล่าวอ้อนวอนให้ผู้ใดเห็นใจ ก็ทำไม่ได้อย่างมากก็เพียงเปล่งเสียงโหยหวนที่หามีผู้เข้าใจในความทุกข์ร้อนไหมแม้นึกไปในอดีตเช่นนี้สมมุติตัวเองว่าในภพชาติหนึ่งเป็นเช่นนี้นึกให้จริงจังเช่นนี้จะเกิดความกลัวกรรมเพราะย่อมได้ความเข้าใจว่ากรรมไม่ดีแน่แท้ที่ทำให้ชีวิต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 เด็กบางคนวิ่งเล่นอยู่อย่างสนุกสนานในโรงเรียนอยู่ๆก็มีลูกปืนแล่นเขาตัดชีวิตปลิดชีพจากโลกนี้ไปอย่างง่ายดายเด็กตายไปแล้วไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์ก็เรื่องหนึ่งแต่มารดาบิดาผู้ต้องสูญเสียลูกไปปุบปับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พึงพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรม ต้องเคยไปทำความทุกข์แสนสาหัสให้เกิดแก่ผู้ใดมาก่อนแล้วในอดีตจึงต้องมาได้รับความทุกข์แสนสาหัสจากผู้ที่ไม่รู้จักหน้าตาผู้ที่ไม่ปรารถนาจะ ก, ก่อทุกข์โทษภัยใดๆเลยและทุกคนมีโอกาสที่จะประสบเหตุการณ์เช่นนั้นเป็นไปได้ที่อยู่ดีๆจะต้องสูญเสียยิ่งใหญ่เช่นมารดาบิดา ที่เสียรูปไปอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุรู้ได้แน่นอนเพียงว่าเป็นผลของกรรมไม่ดีที่ต้องได้กระทําไว้ในภพชาติใดชาติหนึ่งแน่นอนพระสำคัญองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพระดีพระสำคัญยิ่ง คือสมเด็จพระพุทธาจารโตพรหมรังสีวัดประคังโคสิตารามมีเรื่องเล่าถึงท่านว่าครั้งหนึ่งพระในวัดของท่านตีเพื่อนพระด้วยกันจนหัวแตกท่านชำระความด้วยการบอกพระที่เป็นเจ้าทุกว่าเป็นฝ่ายผิดเพราะเป็นผู้ทำเข้าก่อนเมื่อเป็นที่พิสวงสงสัยที่ท่านตัดสินเช่นนั้น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 คนระลึกชาติได้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่บางคนก็ระลึกได้ตั้งแต่อายุยังน้อยพราะพูดได้ก็บอกได้เป็นเรื่องเป็นราวขอไปหาแม่เก่าพ่อเก่าที่บ้านนั้นบ้านนี้บางคนเห็นรูปใครบางคนก็สนใจมากมายถามชื่อและบางรายก็บอกเล่าเรื่องอดีตเคยใกล้ชิดกับผู้นั้นผู้นี้ เคยเป็นทหารไปร่วมรบในอดีตการนานไกลที่น่าอัศจรรย์ก็คือที่เด็กชายเล็กๆบางคนเล่าว่าเคยเป็นทหารร่วมรบด้วยกันกับสมเด็จพระบุราพาบรมกษัตริย์ยาธิราชเจ้าบางพระองค์ทั้งที่เขายังเป็นเด็กชายไร้เดียงสาเขายังไม่ทันจะรู้ว่าพระมาหากษัตริย์ของเขาพระองค์นั้นทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และเขาก็ยังบริสุทธิ์เกินกว่า จะคิดแต่งเรื่องราวขึ้นหลอกลวงเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งผู้ได้ฟังเขาพูดอย่างเด็กทารกไร้เดียงสาจึงยอมรับว่าเขากำลังระลึกได้ถึงอดีตชาติของเขานี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงความมีพบชาติในอดีตของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบั น, นชาติ ท่านพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งที่เป็นพระปฏิบัติท่านเดินป่าอยู่เป็นประจำในชีวิตของท่านโดยเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมทางไปด้วยบ้างเป็นครั้งคราวเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อพบช้างในระหว่างทางท่านพระอาจารย์องค์นั้นก็จะต้องเป็นผู้นำเจรจาปราัยกับช้างท่านจะพูดจากับช้างใหญ่ด้วยภาษามนุษย์และท่านจะใช้วาจาไพเราะอ่อนโยนยิ่งนัก เป็นที่เจริญหูเจริญใจช้างก็ฟังท่านโดยดีเมื่อท่านขอให้หลีกก็จะหลีกขอให้หลบก็จะหลบขอให้ไปให้พ้นก็จะไปจนพ้นท่านทำได้เช่นนี้โดยที่องค์อื่นทำไม่ได้เพราะอะไรน่าจะตั้งปัญหานี้ขึ้นและผู้ไม่ปฏิเสธว่าผู้อยู่ในปัจจุบันชาตินั้นมีอดีตชาติ ย่อมจะยอมคิดว่าท่านพระอาจารย์องค์นั้นท่านคงจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับช้างมาแล้วในอดีตชาติและจะต้องเกี่ยวข้องอย่างสำคัญด้วยในชาตินี้ท่านจึงสามารถพูดจากับช้างได้รู้เรื่องและช้างก็ยินดีอ่อนให้กับท่านอย่างน่าอัศจรรย์นักเมื่อคิดเช่นนี้ก็น่าจะคิดต่อไปได้ว่า จากช้างก็มาเป็นมนุษย์ได้สำหรับผู้มีญาณอย่างรู้ไปในอดีตย่อมรู้ได้ว่าท่านพระอาจารย์องค์นั้นท่านอาจจะเคยเกิดเป็นช้างสำคัญก่อนจะมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เป็นได้และก็เป็นได้อีกเช่นกันที่ท่านอาจจะเกิดเป็นช้างอยู่หลายภพหลายชาติในบรรดาภพชาติที่นับไม่ถ้วนของท่านในอดีต เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้และสามารถมีญาณอย่างรู้ภพชาติในอดีตของตนที่เป็นสัตว์เช่นท่านพระอาจารย์องค์สำคัญที่ท่านเล่าไว้ว่าเคยเกิดเป็นไก่ย่อมรู้ชัดถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นคนกับเป็นสัตว์ย่อมได้ความสลดสังเวชและย่อมได้ความหวาดกลัวความต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่สุดเพราะได้รู้ชัดด้วยตนเองแล้ว ว่าการพลาดพลั้งทำกรรมไม่ดีไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจคือการนำไปสู่ทุกขติต่างๆอันไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งอันจะ ก, ก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนนานาประการการที่อยู่ดีๆก็ถูกจี้ถูกกล่นจนถึงชีวิตเป็นการต้องตายจากผู้เป็นที่รัก สิ่งที่เป็นที่รักอย่างไม่รู้ตัวอย่างไม่อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได้ผู้นับถือพระพุทธศาสนารู้ว่านั่นเป็นผลของกรรมที่ต้องได้กระทําไว้แล้วในภพชาติใดภพชาติหนึ่งซึ่งปุตุชนคนไม่มียานพิเศษทั้งหลายหาอาจรู้ชัดไม่ว่าได้มีการทํากรรมอันเป็นอกุศลเลยเหตุนั้นตั้งแต่เมื่อใดและจะส่งผลเมื่อใด แต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนสามารถมีความรู้พิเศษจะรู้ได้และบางทีก็ได้แสดงให้รู้ล่วงหน้าเช่นที่พระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านได้ปรารภให้ได้ยินกันเนืองๆว่าในอดีตท่านเคยขับเกวียนทับเด็กตายโดยจงใจเจตนาดังนั้นท่านจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นคือจะต้องถูกรถทับจนเสียชีวิตแน่ในภพชาตินี้ ทปรารภอยู่นานปีและแล้ววันหนึ่งท่านก็เตรียมตัวออกเดินทางจากวัดเมื่อถูกทักท้วงว่ารุ่งขึ้นจึงจะถึงวันที่ท่านได้รับอารัธนาไปในการทําบุญที่บ้านหนึ่งท่านก็ตอบง่ายๆตรงไปตรงมาว่าถึงเวลาวันนั้นแหละถูกแล้วไม่มีผู้เข้าใจความหมายของท่านและในวันนั้นเอง เมื่อออกไปพ้นวัดเพียงไม่นานรถที่ท่านนั่งไปก็ควา่าทับร่างท่านมรณภาพทันทีท่านมรณภาพองค์เดียวคนอื่นทุกคนปลอดภัยหลังจากนั้นไม่กี่วันได้มีการทำศพท่านปรากฏว่าอัฐิของท่านที่ยังไม่ทันเย็นสนิทได้กลายเป็นมณีสีสวยงามต่างๆกัน ที่รู้จักกันดีในบรรดาพุทธศาสนกชนทั้งหลายว่านั่นคือพระธาตุนั่นคือเครื่องหมายแสดงความไกลกิเลสสิ้นเชิงแล้วพระอาจารย์องค์นี้ท่านไม่เพียงแสดงให้เห็นอำนาจของกรรมที่ผู้ใดได้ทำแล้วจะต้องได้รับผลแม้จะปฏิบัติธรรมสูงสุดก็ยังหนีไม่พ้นท่านอย่างแสดงให้เข้าใจด้วยว่าทุกชีวิต ผ่านพบชาติในอดีตมาแล้วจะต้องผ่านมามากมายด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่เห็นกันอยู่ว่าทุกคนมีชีวิตที่ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปไม่มีสุขตลอดชีวิต ไม่มีทุก์ตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งดีงามตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งชั่วร้ายตลอดชีวิตแต่ละคนพบอะไรอะไรทั้งดีทั้งร้ายหนักบ้างเบาบ้างโดยที่บางทีก็ไม่เป็นที่เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเช่นบางคนเกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อยลำบากยากจนพอเกิดได้ไม่นาน เงินทองจำนวนมากก็เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นลาบลอยของมารดาบิดาบ้างเป็นความได้ช่องได้โอกาสทำธุรกิจการงานบ้างใครๆก็จะต้องพูดกันว่าลูกที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญทําให้มารดาบิดามั่งมีสีสุขถ้าไม่คิดให้ดีก็เหมือนจะเป็นการพูดไปเรื่อยๆไม่มีมูลความจริง และทั้งผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ใส่ใจพิจารณาให้ได้ความรู้สึกลึกซึ้งจริงๆังแต่ถ้าพิจารณาการให้จริงด้วยคำนึงถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมก็น่าจะเชื่อได้ว่าเด็กที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิดผู้มีบุญคือผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติ อันความเกิดขึ้นของผู้มีบุญนั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับมีบุญห้อมล้อมรักษาแม้ชนกกรรมนำให้เกิดจะนำให้เกิดลำบากแต่เมื่อบุญที่ทำไว้มากกว่ากรรมไม่ดีที่นำให้ลำบากก็จะต้องถูกตัดรอนด้วยอำนาจของกุศ ล, ลกรรมคือบุญอันยิ่งใหญ่กว่าคือเกิดมาบรรดาบิดายากจนมือแห่งบุญก็จะต้องเอื้อมาโอบอุ้ม ให้พ้นจากความลำบากยากจนให้มั่งมีสีสุขควรแก่บุญที่ได้ทำไว้ผู้ที่เกิดในที่ลำบากยากจนแต่เมื่อมีบุญเก่าได้กระทําไว้มากมายเพียงพอมือแห่งบุญก็จะเอื้อมาโอบปุ้มให้พ้นความยากลำบากได้อย่างรวดเร็วพ้นจากความยากจนดังปาฏิหาร มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เด็กบางคนทำบุญทำกุศลไว้ดีแต่ชนกกรรมนำให้เกิดกับมารดาบิดาที่ยากแค้นแสนสาหัสพอเกิดมารดาบิดาก็หาทางช่วยให้ลูกพ้นความเดือดร้อนนำไปวางไว้หน้าบ้านผู้มั่งมีสีสุขที่รู้กันว่าเป็นผู้มีเมตตาและเด็กนั้นก็ได้เป็นสุขอยู่ในความโอบอุ้มของมือแห่งบุญ ควรแก่บุญที่เขาได้กระทาไว้แต่เด็กบางคนเกิดในที่ต่ำต้อยยากไร้และเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทํากุศลมาในอดีตชาติเพียงพอย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาโอบปุ้มเขาให้พ้นความลำบากยากจนแม้เมื่อมานดาบิดาจะพยายามเสี่ยงนำเขาไปวางไว้ในที่ที่หวังว่าจะมีผู้ดีมีเงิน มานำไปอุปการะเลี้ยงดูความไม่มีบุญทําไว้ก่อนทำให้ไม่เป็นไปดังความปรารถนาของผู้เป็นมารดาบิดาเขาอาจจะถูกทิ้งอยู่ตรงที่ที่ถูกนำไปวางและสิ้นชีวิตไปณที่นั้นอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอาจจะทรมานด้วยความหนาวความร้อนความหิวโดยหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้และผู้เป็นมารดา ก็อาจถูกจับไปรับโทษทางอาญานั่นก็เป็นเรื่องอำนาจยิ่งใหญ่นักของกรรมอย่างแท้จริงอดีตชาติของทุกคนมีมากมายนักจึงได้ทำกรรมกันไว้มากมายนักกุศลละกรรมบ้างอากุศลละกรรมบ้าง ชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างคนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็โดยอำนาจของกุศ ล, ลกรรมคือการบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่นที่ได้กระทําไว้ในอดีตชาติเมื่ อ, อกุศลกรรมคือการคดโกงเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนที่ได้กระทําไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผล และเมื่อเป็นผลที่แรงกว่ามีกาลังกว่ากุศลกรรมที่กําลังเสวยผลอยู่อากุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรมส่งผลไม่ดีของอากุศลกรรมให้เกิดแทนความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มีเงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไปอากุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทำให้มหาเศรษฐี สิ้นเนื้อประดาตัวได้กำลังเป็นสุขก็จะกลับเป็นทุบเดือดร้อนอำนาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริงผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่นกลัวเพราะรู้ว่าเมื่อทำกรรมไม่ดีไว้แล้วต้องได้รับผลไม่ดีและเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้ว แม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทํากรรมไม่ดีเช่นนั้นก็จะต้องได้รับผลไม่ดีที่อาจทําให้พิสวงสงสัยจนกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคือเห็นไปว่าทําดีไม่ได้ดีซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้นทําดีต้องได้รับผลดีเสมอทําไม่ดีจึงจะได้รับผลไม่ดี เพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นมีอายุกันเพียงอย่างมากร้อยปีเท่านั้นทุกคนทุกสัตว์ต่างก็ทําอะไรๆที่เป็นกรรมแล้วมากมายนับไม่ถ้วนเป็นกรรมดีคือกุศ ล, ลกรรมบ้างเป็นกรรมชั่วคืออกุศลกรรมบ้างมากมายจริงๆเพียงทาในชาติเดียวก็มากมายจริงๆแล้วเมื่อได้ทามานับพบชาติไม่ถ้วน จะมากมายเพียงไหนขณะที่มาเป็นอยู่ในภพนี้ชาตินี้ได้ละภพชาติในอดีตที่ทำกรรมไว้เบื้องหลังมากนักหนากรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสมอกันบางคนกรรมดีอาจมากกว่าบางคนกรรมชั่วอาจมากกว่าบางคนทํากรรมดีที่ไม่สำคัญไม่ยิ่งใหญ่แต่ทํากรรมไม่ดีที่สำคัญนักหนา เช่นนี้ย่อมได้สวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีน้อยกว่าส่วนไม่ดีส่วนผู้ที่ทำกรรมดีมากทำกรรมไม่ดีน้อยเช่นนี้ย่อมได้สวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดีดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้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 เมื่อกำไม่ดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรมดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรมไม่ดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรมไม่ดีแรงกว่ากรมดีกรมไม่ดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมดีหาอาจขัดขวางได้ไม่อะไรอะไรก็หาอาจขัดขวางได้ไม่ ชีวิตนี้น้อยนักคือชีวิตในภพภูมินี้ในชาตินี้น้อยกว่าชีวิตที่ผ่านมาแล้วในอดิตชาติมากมายอย่างไม่อาจประมาณได้ถูกท่วนผู้มีปัญญาเมื่อมานึกถึงความจริงนี้ย่อมไม่ประมาทย่อมเห็นภัยที่จะตามมาเป็นภัยที่จะเกิดแก่กรรมทั้งหลายที่ได้ประกอบกระทำไว้ด้วยตนเองในอดิตชาติ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 แม้จะติดตามทุกคนผู้ทําเหตุแห่งกรรมไม่ดีนั้นอยู่แต่ก็อาจไม่สามารถตามทันแม้ผู้นั้นจะพยายามวิ่งหนีอยู่เต็มสติปัญญาความสามารถพลังสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถหนีพ้นมือแห่งกรรมไม่ดี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 ให้กรรมตามทันได้แต่แม้ผู้ที่กรรมนั้นตามอยู่เป็นผู้กำลังวิ่งหนีกรรมไม่ดีอยู่เต็มกำลังด้วยการทำความดีต่างๆมีการท่องพุโทโธให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจเป็นต้นพุโทโธอันเป็นยอดของความดีก็จะเปรียบได้ดังพลังจิตอันแรงกล้าของนักสะกดจิตที่จะสะกดผู้ขับรถ ซึ่งกำลังมึนเมาด้วยริสุราให้หยุดรถเสียทันทีก่อนจะทันพุ่งเข้าชนเป้าหมายที่กรรมตามอยู่ความสวัสดีย่อมมีแก่ผู้ที่กรรมตามติดอยู่นั้นอย่างเป็นที่น่าอัศจรรย์นักอันกรรมไม่ดีนั้นมีคู่ที่มักจะใช้ด้วยกันมีความหมายไปในทางไม่ดีคือ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 เหตุที่ต่างก็มีภบชาติมานับไม่ถ้วนในอดีตต่างก็ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีไว้นับไม่ถ้วนเช่นกันในภบชาติทั้งหลายนั้นเจ้ากรรมในเวรที่ได้ไปกัําเกินเบียดเบียนทาร้ายไว้ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นกันทํานองเดียวกับผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีพระคุณก็ต้องมีมากมายเช่นกัน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 ที่ได้รับจากท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมคอ่คอยคิดคอ่คอยบอกกล่าวแสดงความจริงใจให้อ่อนโยนและภัยราะด้วยถ้อยคําจะเกิดผลยิ่งกว่าใช้ถ้อยคําและจิตใจที่ไม่ภัยราะใจจริงไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบความอ่อนโยนความภัยราะจากใจจริง ผู้ต่างพบภูมิทั้งหลายก็ไม่ได้แตกต่างออกไปใจหรือจิตของมนุษย์ก็เป็นใจหรือจิตดวงเดียวกันกับเมื่อมนุษย์ละชาตินี้ไปสู่ชาติอื่นพบภูมิอื่นแล้วพึงระลึกถึงความจริงนี้การส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีนั้นข้ามภพข้ามชาติได้ กรรมในอดีตชาติส่งผลมาทันในปัจจุบั น, นชาติก็มีไปส่งถึงในอนาคตชาติก็มีแล้วแต่ว่าผู้ทำกรรมจะสามารถหนีได้ไกลเท่าไหร่หรือหนีได้นานเท่าไรนั่นก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบั น, นชาติผู้ทํากรรมแล้วในอดีตจะสามารถในการทําจิตใจทาบุญทากุศล ทำความดีได้มากเพียงไหนเป็นกรรมที่ใหญ่ยิ่งหนักหนากว่ากรรมไม่ดีหรือไม่การให้ผลกรรมเช่นเดียวกับการตกจากที่สูงของวัตถุสิ่งใดหนักกว่าเมื่อตกจากที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันสิ่งนั้นย่อมถึงพื้นก่อนเปรียบดังกรรมสองอย่างคือกรรมดีและกรรมไม่ดี กระทำในเวลาใกล้เคียงกันกรรมที่หนักกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามย่อมส่งผลกรรมที่เบากว่าย่อมส่งผลที่หลังและย่อมส่งผลทั้งสองแน่นอนไม่เร็วก็ช้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไปต่อไปต่อไปอาจจะอีกหลายภพชาติก็ได้ เพราะกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะลบเลือนได้ด้วยการเวลานานเพียงไรกรรมก็ยังให้ผลอยู่เสมอกรรมจึงมีอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงท่านพระอาจารย์องค์สำคัญองค์หนึ่ง ท่านปรารถนาพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้นมาระลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นไก่หลายร้อยหลายพันชาติก่อนที่จะได้มาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ท่านก็เปลี่ยนความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธามาเป็นพระผู้ไกลกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะท่านสลดสังเวชชีวิตที่ผ่านมาแล้วมากมายและห ว, วาดเกรงว่าชีวิต ที่จะต้องพบอีกต่อไปนับพบชาติไม่ท่วนกว่าจะถึงจุดปรารถนาคือพุทธภูมิซึ่งไม่ใช่ว่าจะไปถึงกันได้โดยง่ายโดยเร็วจะต้องใช้เวลานานแสนนานในอีกหลายร้อยหลายพันพบภูมิโดยไม่อาจรู้ได้ว่ากรรมจะนำให้ไปเป็นอะไรลาบากยากเข็นอย่างไรซึ่งสำหรับท่านผู้ได้รู้แจ้งในอดิตชาติของท่านแล้ว ก็เกิดความกลัวยิ่งนักเบื่อหน่ายความต้องเวียนไหวในวัฏฏะสงสารยิ่งนักด้วยความภาคเพียรพยายามสุดสติปัญญาความสามารถที่จะตัดพบชาติอนาคตให้หมดสิ้นไปโดยเร็วในที่สุดก็เชื่อกันว่าท่านพระอาจารย์สำคัญองค์นั้นท่านก็สำเร็จประสงค์ถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ในภพภูมิปัจจุบัน ครูอาจารย์ท่านสำคัญสำคัญท่านรับรองและพระบุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าชาติในอนาคตมีอยู่สำหรับผู้ยังไม่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นได้และการทำกิเลสให้หมดสิ้นนั้นคนเป็นจำนวนมากทำไม่ได้ในเวลาอันสัน้นทั้งยังมีคนเป็นจำนวนมากไม่สนใจจะทำให้กิเลสหมดสิ้นยังเกลือกลัวอยู่กับกิเลสอย่างหลงผิดดังนั้น พบชาติสําหรับคนเหล่านั้นยังมีอยู่มากมายนักหนาใช้เวลานานแสนนานนับพบนับชาติหาได้ไม่โอกาสที่กรรมจะตามไปถึงจึงมีมากมายนักไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งและอย่าคิดผิดว่าเมื่อถึงวันนั้นเวลานั้นก็จะจําไม่ได้ว่าเราเป็นเราอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อน ความคิดเช่นนี้อาจจะเกิดแกเราแล้วในอดีตชาติและมาในปัจจุบันเมื่อต้องพบกับความเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเราไม่เดือดร้อนทั้งที่ไม่ใช่ว่าเราจะจําได้ว่าเราเป็นเราไม่ว่าจะเกิดเป็นใครเป็นอะไรเมื่อใดพบชาติไหนก็ตามเมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นสุข ก็ต้องเป็นสุขจึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่งควรพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ในอนาคตต้องเป็นทุกข์หรือเพื่อไม่ให้กรรมไม่ดีที่ทำไว้ตามทันไม่ว่าเมื่อใดก็ตามชีวิตนี้แม้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนัก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 กรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตมากมายอาจจะตามไม่ทันตลอดไปก็ได้ถ้าทำชาตินี้ให้ดีที่สุดดูภาพผู้คนในบางประเทศที่อดอยากแสนสาหัสหน้าตาแทบจะไม่เป็นคนเหมือนโครงกระดูกเดินได้เด็กเล็กๆน่าสงสารไม่มีเนื้อ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 ใครเล่าจะรับรองได้ว่าอดิตชาติเราไม่ได้เป็นคนคับแค้นไม่เคยทาบุญให้ข้าวปลาอาหารแกใครเลยมารดาบิดาผู้แก่ชราก็หาได้สนใจให้ข้าวให้น้ำให้มีความสุขอิ่มหนำสาราญไม่ยิ่งเป็นสัตว์หมาแมวด้วยแล้วไม่เคยเมตตาปราณีให้ข้าวซักเม็ดให้น้าสักหยด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 และชีวิตนี้ก็น้อยนักมัวผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ผลจากชาตินี้ไปแล้วจะไม่มีโอกาสดีให้วิ่งหนีกรรมได้อีกเลยเมื่อชีวิตนี้น้อยนัก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 จำไม่ดีที่กําลังติดตามเราทุกคนอยู่นั้นมีมากมายนักทั้งที่หนักและที่เบาทั้งที่จะทรมานชีวิตเราไม่หนักนักหนาทั้งที่จะทรมานเราจนแทบว่าจะรับไม่ไหวทั้งที่เราอาจจะรับไม่ไหวจริงๆด้วยคิดดีพูดดีทําดี เพียงทำสามประการนี้ให้สม่ำเสมอตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็จะสามารถหนีมือแห่งกรรมไม่ดีได้มือแห่งกรรมไม่ดีจะไม่สามารถตะครุบไวในอำนาจได้บาปกรรมใดๆแม้ได้กระทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติจะไม่อาจตามสนองได้ง่ายๆในภพชาตินี้อย่างมากก็จะเพียงไล่ตามตะครุบอยู่อย่างไม้มั่น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 อำนาจของกรรมชั่วร้ายนั้นสามารถทำให้ทรณีแยกออกสู่ผู้ทํากรรมนั้นได้พระเทวทัตเป็นตัวอย่างที่แสดงความน่ากลัวที่สุดของกรรมท่านคิดทำลายพระพุทธเจ้าแม้เพียงทําได้เล็กน้อยนักคือเพียงทําให้พระพุทธบาทหอบพระโลหิตและสํานึกผิดได้ในที่สุดพร้อมจะขอประทานโทษแต่ก็หนีมือแห่งกรรมร้ายแรงที่ทาไว้ไม่พ้นหนีไม่ทัน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 และตั้งขึ้นได้ลำบากยากเย็นยิ่งกว่าใครสักคนจะมีลูกเป็นที่รักดั่งดวงใจทำร้ายลูกก็เท่ากับทำร้ายผู้เป็นแม่พ่อทำลายพระพุทธศาสนาจึงไม่แตกต่างกับทำลายพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่มีผู้ใดได้ทำแต่แน่นอนเพียงการพยายามทำก็บาปหนักยิ่งกว่าบาปฆ่าคนตาย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 ผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิเห็นพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนไม่มีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจคิดจะทำลายก็ทำกันไปต่างๆนานาผู้เบาปัญญาหารู้ไหมว่าเมื่อกำตามทันโทษนั้นร้ายแรงหนักหนานักพระเทวทัตก็มิได้ถูกธรณีสูบทันทีที่ทำร้ายพระพุทธเจ้า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 อย่าเป็นคนเบาปัญญาพึงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาให้รอบคอบมิฉะนั้นจะเสียประโยชน์จากการมีชีวิตอยู่ในชาตินี้ที่น้อยนักชีวิตนี้ผ่านไปพ้นไปเมื่อไหร่จะเรียกกลับคืนไม่ได้กรรมไม่ดีทั้งหลายจะห้อมล้อมจนแหลกเลวดังที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินอยู่เสมอให้ขนลุกขนพอง สยดสยองอยู่ไม่เว้นวายชีวิตในอดีตชาติล่วงเลยไปแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็ได้เป็นอันทมแล้วทั้งนั้นไม่มีที่จะให้ไม่ได้ทำแต่ชีวิตในอนาคตตชาติกําลังใกล้เข้ามาเป็นลำดับไม่นานนักก็จะถึง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 ที่สามารถจะพาเราหนีกรรมไม่ดีได้และก็เป็นชีวิตเดียวที่จะพาเราไปสวรรค์ก็ได้นิพพานก็ได้พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธศาสนาประกอบพร้อมด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อริยาสาวกของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาจึงมีคุณเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณพระคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไรพระพุทธองค์ได้ทรงมอบไว้ในพระพุทธศาสนาหมดสิ้นแล้วเราเรียนพระพุทธศาสนาหรือเรียนพระธรรมกันอยู่ตลอดเวลาแม้จนทุกวันนี้เท่ากับเรากำลังพยายามจะให้สามารถแลเห็นพระพุทธเจ้าให้ได้ แต่ก่อนที่เราจะได้เห็นพระพุทธองค์เราจำเป็นต้องรอบคอบระวังรักษาพระพุทธศาสนาอย่างดีอย่าประมาทมองให้เห็นผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิแม้ผู้นั้นจะเป็นตัวเราก็ต้องมองให้ตรงตามความจริงไม่เห็นภัยจะกันภัยไม่ได้ไม่เห็นผู้มุ่งทำลายพระพุทธศาสนาก็จะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ได้ การที่จะป้องกันตัวเองมิให้หลงไหลเลื่อนลอยไปเป็นผู้ทําลายพระพุทธศาสนาแม้โดยมิได้ตั้งใจจําเป็นต้องมีหลักยึดยึดหลักไว้ให้มั่นกระแสใดๆก็จะพัดพาไปไม่ได้หลักที่น่าจะมั่นคงแข็งแรงสามารถรับการยึดเหนี่ยวได้ทุกเวลานั้นน่าจะเป็นหลักแห่งความกตัญญูกะตะเวที ยึดกตัญญูกตตเวทีไว้ให้เป็นหลักประจำใจมั่นผลที่เกิดตามมานั้นจะไม่มีเสียหายแม้แต่น้อยกตัญญูกตตเวทีความรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนและตอบแทนพระคุณนั้นพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่า เป็นธรรมะของคนดีคือคนดีมีธรรมะนี้หรือธรรมะนี้ทำให้คนเป็นคนดีคือคนใดมีธรรมะคือความกะตัญยูกตะเวทีคนนั้นก็คือคนดีนั่นเองในด้านตรงกันข้ามคนใดไม่กระตันยูกตะเวทีคนนั้นไม่ใช่คนดี เชิญสำรวจตนเองให้ทุกคนให้เห็นใจตนอย่างชัดเจนตรงตามความจริงว่ามีความกะตันยูกะตะเวทีหรือไม่แล้วก็จะได้รู้จักตนเองว่าเป็นคนดีหรือไม่ไม่มีกะตันยูกะตะเวทีไม่เป็นคนดีจริงๆอย่าสงสัยแต่จงเร่งอบรมใจตนเองให้มีกะตันยูกะตะเวทิตาธรรมให้จงได้ อย่าให้ผ่านชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตหน้าที่ยาวนานโดยไม่ถือโอกาสสร้างชีวิตในภพชาติข้างหน้าให้สวยสดงดงามอย่างยิ่งกะตัญยูกะตะเวทิตาธรรมเป็นธรรมะเครื่องสร้างคนให้เป็นคนดีได้จริงๆ เพราะความรู้คุณท่านผู้มีคุณและความตั้งใจจะตอบแทนพระคุณคือเครื่องป้องกันภัยที่สำคัญที่สุดที่จะกันให้พ้นจากการทำผิดคิดร้ายได้ทั้งหมดโดยมีจุดมุ่งอยู่ที่ความไม่ปรารถนาจะทำให้ผู้มีพระคุณเป็นทุกข์เดือดร้อนกายใจทุกคนมีผู้มีพระคุณของตนอย่างน้อยก็มารดาบิดาครูอาจารย์ เพียงมีกระตันยูรู้คุณท่านเท่าที่กล่าวนี้ก็เพียงพอจะคุ้มครองตนให้พ้นจากความไม่ดีทั้งปวงได้ขอให้เป็นความกระตันยูกะตะเวทีจริงใจเท่านั้นอย่าให้เป็นเพียงนึกว่าตนเป็นคนกระตันยูความจริงกับความนึกเอาแตกต่างกันมากผลที่จะได้รับจึงแตกต่างกันมากด้วย ผู้มีกระตันยูกระตะเวทีนั้นจะรู้จักบุญคุณของผู้มีบุญคุณทั้งหมดจะตอบสนองทุกคนเต็มสติปัญญาความสามารถควรแก่ผู้รับและนี่เองที่จะเป็นเหตุให้คิดดีพูดดีทดําดีเพราะเกรงว่าการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีจะมีส่วนทําให้ผู้มีบุญคุณเดือดร้อนเช่น มารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณลูกกตัญญูจะประพฤติตัวเป็นคนดีจะไม่เป็นคนเลวเพราะเกรงว่ามารดาบิดาจะเสื่อมเสียนี่ก็เท่ากับคุ้มครองตนเองได้แล้วด้วยความกตัญญูกะตะเวทีพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุด ทรงมีพระคุณต่อโลกต่อศาสนิกของโลกพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทำให้พุทธศาสนิกเป็นคนดีมีธรรมะนั้นมิได้เป็นคุณเฉพาะพุทธศาสนิกเท่านั้นแต่เป็นคุณไปทั่วถึงคนดีคนเดียวให้ความร่มเย็นเป็นสุขได้กว้างไกลเช่นเดียวกับคนไม่ดีคนเดียวให้ความทุกข์ความร้อนได้มากมาย พระพุทธศาสนาสร้างพุทธศาสนิกชนที่ดีก็เท่ากับพระพุทธศาสนาสร้างความร่วมเย็นเป็นสุขให้แก่โลกด้วยเหมือนกันพึงมีกระตันยูกะตะเวทีต่อพระพุทธเจ้าคิดดีพูดดีทำดีให้เป็นไปดังที่ทรงแสดงสอนไว้จะหนีกรรมเก่าได้ทันและจะสร้างชีวิตในชาติใหม่ในภายหน้าให้วิจิตงดงามเพียงใดก็ได้ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วไม่ได้หายไปไหนพระพุทธบารมียังปกปักรักษาโลกอยู่คนในโลกยังรับพระพุทธบารมีได้ไมิได้แตกต่างไปจากเมื่อยังทรงดำรงพระชนอยู่เพียงแต่ว่าจำเป็นต้องเปิดใจออกรับมิฉนั้นก็จะรับไม่ได้การเปิดใจรับ พระพุทธบารมีไว้คุ้มครองรักษาตนไม่ยากลำบากไม่เหมือนการเข็นก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากถ้าเพียงน้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าให้จริงจังอยู่เสมอก็จะรับพระพุทธบารมีได้จะมีชีวิตที่สวัสดีมีสุขสงบได้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว ไม่ทรงเวียนไหวตายเกิดในวะัฏะสงสารอีกแล้วแต่พระพุทธบารมีอย่างพรั่งพร้อมพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านเล่าไว้ว่าเมื่อท่านปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่ในป่าดงพงพีนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงสอนท่านด้วยพระพุทธบารมีเสมอและท่านพระอาจารย์องค์นั้น ต่อมาก็เป็นที่ศรัทธาเคารพของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เชื่อมั่นว่าท่านปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วด้วยพระพุทธบารมีได้เสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดพระอาจารย์องค์สำคัญให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ไม่มีอะไรให้สงสัยว่าเป็นสิ่งสุดวิสัยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีเรื่องของท่านพระโมคคัลลาเป็นเครื่องยืนยันรับรองคือเมื่อปฏิบัติธรรมถึงจุดปรารถนาสูงสุดแล้วท่านถูกโจรเจ้ากรรมในอดีตพยายามหาทางทําลายชีวิตท่านท่านพยายามใช้อิทธิฤทธิหลบหนีแต่โจรก็ติดตามไม่หยุดยัง้ง จนท่านเบื่อนายที่จะหนีต่อไปจึงยอมให้โจรจับได้และทุบท่านจนร่างกายแหลกเหลวนิพพานในที่สุดเมื่อนิพพานแล้วท่านได้รวมร่างเข้าอีกครั้งหนึ่งเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบและกราบทูลลาเรื่องของท่านพระโมคคัลลา เป็นเครื่องให้ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ่มชัดว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตเจ้าก็ดีแม้ดับขันธปรินิพานแล้วท่านก็เพียงไม่มีร่างเหลืออยู่เท่านั้นบารมีและคุณธรรมทั้งปวงของท่านยังพรั่งพร้อมเป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่ง เมื่อมั่นใจในความดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนิรันดรแห่งพระพุทธบารมีหรือคุณธรรมของพระพุทธองค์และของครูบาอาจารย์สําคัญทั้งหลายที่ท่านไกลแล้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองพุทธศาสนนทั้งหลายผู้มีสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิก็ควรเร่งปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ได้เป็นคนดีตามลําดับไปให้เป็นที่ปรากฏประจักษ์ ในพระยานอย่างรู้ของพระพุทธองค์ให้พระพุทธบารมีเสริมส่งบารมีของตนจนกว่าตนเองจะสามารถเป็นผู้มีบารมีมีคุณธรรมดารงยั่งยืนอยู่ได้เช่นท่านผู้เป็นพุทธอริยะสาวกทั้งหลายวันนั้นมาถึงผู้ใดเมื่อไรวันนั้นผู้นั้นก็จะไม่ต้องกังวล ที่จะใช้ชีวิตนี้ทําทางหนีมือแห่งกรรมและไม่ต้องกังวลสร้างชีวิตในชาติอนาคตให้สมบูรณ์บริบูรณ์สวยสดงดงามต่อไปแทบทุกคนเคยเป็นมาแล้วทั้งเทวดาเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ยาจกวานิพกเศรษฐีขฤรหบดี ตลอดจนสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเคยตายมาแล้วด้วยอาการต่างๆตายอย่างเทวดาตายอย่างเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตายอย่างขอทานข้างถนนตายอย่างสัตว์ทั้งที่ตายเองและทั้งที่ถูกฆ่าตายเคยมีทั้งสุขเคยมีทั้งทุกข์เคยเป็นผู้ร้ายเคยเป็นทั้งผู้ดีน้ำตาเคยท่วมบ้านท่วมเมืองมาแล้วกระดูกทับถมแผ่นดินนี้ หาที่ว่างสักเท่าปลายเข็มหมุดจะปักลงไปก็ไม่พบเปรียบกับชีวิตนี้เพียงชาติเดียวชีวิตนี้จึงน้อยนักจะห่วงใยแสวงหาอะไรอีกมาให้ชีวิตนี้ที่จะสำคัญกว่าการห่วงหาทางหนีมือแห่งกรรมที่ทำไว้มากมายในอดีตชาติ ทบทุกคนมีชาติในอนาคตที่ไกลออกไปผลความรู้เห็นของใครทั้งหลายจะเกิดเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ได้ทั้งสิ้นตามอำนาจของกรรมที่ได้ทำไว้แล้วทั้งที่ทำในอดีตชาติและที่ทำในชาตินี้สำคัญที่ว่าได้ทำกรรมใดมากกว่าแรงกว่าสาคัญกว่ากรรมนั้นก็จะส่งผลมากกว่าเร็วกว่าและหนักแน่นมั่นคงกว่า ถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ความสุขความเจริญมีบุญห้อมล้อมรักษาถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้ความทุกข์ความเสื่อมโทรมมีบาปห้อมล้อมรังควานชีวิตนี้ตกอยู่ใต้อํานาจความโลภความโกรธความหลงแสวงหาอํานาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองอย่างไม่คํานึงถึงความถูกต้อง ไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆชื่นชมสมใจแล้วไม่ใช่ว่าจะยั่งยืนจะชื่นชมสมปรารถนาไปได้อย่างมากก็ชั่วอายุร้อยปีแล้วก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งชื่อเสียงที่เน่าเหม็นไว้ให้คนโจษขานพาแต่จิตดวงเดียวร่อนเร่ไปทำกรรมไม่ดีไว้ก็จะไปพร้อมกับจิตที่ห่อหุ้มด้วยความไม่ดี ไปสู่ทุกขติพบภูมิที่ไม่ดีพบภูมิที่มีแต่ความทุกข์จิตดวงเดียวที่ปราศจากอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองที่เมื่อมีชีวิตในชาตินี้กอบโกยไว้ด้วยอำนาจกิเลสจะท่องเที่ยวทุกร้อนเป็นนานนักหนานับการเวลาหาได้ไม่ นับพบชาติหาถูกไม่ในทุกขติชีวิตนี้ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลงมั่นคงอยู่ในความดีมีศีลมีธรรมจะร่มเย็นเป็นสุขชั่วกาลนานความสุขที่จักไม่สิ้นสุดลงพร้อมกับชีวิตนี้ที่น้อยนักที่มีเวลาเพียงร้อยปีเท่านั้นโดยประมาณ จิตดวงเดียวที่พรั่งพร้อมด้วยบุญกุศลจากท่องเที่ยวเบิกบานเป็นนานนัดหนานับการเวลาหาได้ไม่นับพบชาติหาถูกไม่ในสุขติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์พ้นการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันเป็นจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงนำไปแล้วและทรงแสดงแจ้งทางไว้ให้แล้วอย่างละเอียดถีท้วน ด้วยพระมาหากรุณาหาที่เปรียบไม่ได้พุทธสาวกทั้งหลายได้ตามเสด็จไปถึงจุดหมายอันเป็นบร ม, มสุขนั้นแล้วมากมีทั้งในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันนี้ทั้งยังจะสืบต่อไปในอนาคตการนานไกลตราบที่ยังมีผู้ใส่ใจปฏิบัติธรมคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดชีวิตนี้จะมีสวัสดีและชีวิตข้างหน้าก็จะสวัสดีได้ถ้ามือแห่งกรรมร้าย ไม่เอื้อมมาถึงเสียก่อนมือแห่งกรรมร้ายใดๆก็จะเอื้อมมาถึงไม่ได้ถ้าชีวิตนี้วิ่งหนีได้เร็วกว่าและการจะวิ่งหนีให้เร็วกว่ามือแห่งกรรมนั้นจะต้องอาศัยกำลังบุญกุศลคุณงามความดีเป็นอันมากและสม่ำเสมอกำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่วกำไร คือการทำดีพร้อมกายวาจาใจทุกเวลาผู้จะมีสติระวังไม่ทำความไม่ดีทั้งกายวาจาใจได้ยิ่งกว่าผู้อื่นคือผู้มีกระตันยูกะตะเวทีอันเป็นธรรมะสำคัญธรรมะที่จะทำคนให้เป็นคนดีมีความห่วงใยปรารถนาจะระวังรักษาผู้มีพระคุณ ไม่ให้ต้องเสียทั้งชื่อเสียงและไม่ต้องเสียทั้งน้ำใจผู้มีกะตันอยู่กะตะเวทีจึงเป็นผู้มีธรรมะเครื่องคุ้มครองให้สวัสดีเครื่องคุ้มครองให้สวัสดีก็คือคุ้มครองไม่ให้ทำความไม่ดีคุ้มครองให้ทำแต่ความดีทั้งกายวาจาใจทุกเวลา ชีวิตนี้น้อยนักพึงใช้ชีวิตนี้อย่างผู้มีปัญญาให้เป็นทางไปสู่ชีวิตหน้าที่ยืนนานให้เป็นสุขติที่ไม่มีการเวลาหาขอบเขตมิได้โดยยึดหลักสำคัญคือความกระตันยูกตะเวทีต่อมารดาบิดาและต่อสถาบันชาติศา ส, สนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงทุกลมหายใจเข้าออกเถิด เสียงอ่านหนังสือชีวิตนี้น้อยนักบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกุลมหาสังฆปรินายกเสียงอ่านโดยโจโชดนตรีบรรเลงเป็นโนโดยตองพีขอขอบพระคุณต้นฉบับหนังสือที่นำมาอ่านนะครับ ต้นฉบับโดยคุณชวินยงยุทธและจมรมกัลยาณธรรมสภาทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่สิ่งดีดีกลับคืนสู่สังคมร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยธรรมะที่ถูกทางและถูกธรรมติดตามดาวโหลดเสียงอ่านธรรมะโดยโจโจได้อีกมากมาย ที่เว็บไซต์โ h โฉ .net สามารถทำสำเนาเผยแพร่ต่อไปได้โดยไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตสงวนสิทธิ์เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับ